ในสิ่งที่มีอยู่ในโลก ل ح ้ <ت ص في ق> เป็นมัคิยาะมี99องค์การมีจุดมุ่งหมายหลักคือการศรัทธาในอิสลามอันหมายถึงการให้ความเป็นเอกภาพแด่อัลลอฮ์การเป็นนบีการฟื้นคืนชีพและการตอบแทนหลักสำคัญของบทนี้กล่าวถึงการต่อต้านของพวกปฏิเสธศรัทธาที่มีต่อาศาสนาทูตในสมัยต่างๆด้วยเหตุนี้บทนี้จึงเริ่มต้นด้วยการเตือนสัมทับถึงการลงโทษอย่างสาหัส บท น, นี้ยังได้กล่าวถึงการเรียกร้องของบรรดานับีและได้ชี้แจงท่าทีของผู้หลงทางและผู้ที่มีความทุกข์ที่มีต่อบรรดาศาสนาทูตซึ่งเห็นได้ตั้งแต่ท่านนาับี๋ยนัวอะลัยสลามจนกระทั่งถึงนับีคนสุดท้ายคือนับีมุฮัมมัดสลลลุลลัลฮวาไลฮิวสลมัมและนี่คือแนวทางปฏิบัติของผู้ปฏิเสธศรัทธาทุกยุคทุกสมัยบท น, นี้ได้เปิดเผยเห็นถึงสัญญาณต่างๆ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 ทั้งหมดนี้เป็นการแสดงให้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ของอโลผู้ทรงสูงสง่งและเป็นการยืนยันถึงความเป็นเอกะและเดชานุภาพของปรุงบทนี้ได้เปิดเผยถึงเรื่องของมนุษยชาติที่ยิ่งใหญ่คือเรื่องของทางนําและการหลงทางโดยอุปมาเรื่องของอาดัมอะัยฮิสลัดกับศัตรูตัวชกากาศคืออิบลิสที่ถูกสาปแช่ง และสิ่งที่เกิดขึ้นจากการคารวะของมาไลากาต่ออาดัมและการหยิ่งพยองของอิปลิสที่ไม่ยอมคารวะและการคัดค้านของมันต่อพระบัญชาของอัลลอฮ์ตลอดจนสัญญาของมันที่ล่อลวงลูกหลานของอาดัมให้อยู่ในการหลงผิดจากเรื่องของอาดัมได้เปลี่ยนไปเป็นเรื่องของศาสด า, าบางท่านเพื่อเป็นการปลอบใจท่านบรสูนละละลสลลลลฮุอะลฮิวาสลัมเป็นการเสริมสร้างกำลังใจให้เข้มแข็ง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 ให้รำลึกถึงความโปรโดปรานอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ด้วยการประทานคำพีฉบับปฏิหาริย์และใช้มีความอดทนต่อการถูกทำร้ายและถูกก่อกวนจากพวกบูชาจเวดอีกทั้งเป็นการแจ้งข่าวดีว่าใช้ชนะที่แท้จริงแน่นอนนั่นจะเป็นของท่านดบี ม, มุฮัมมัด ส, สลลลัลฮวาัลวะสัล ล, ลัมและบรรดาผู้ศรัทธาในระยะเวลาอันใกล้นี้ บทนี้ได้รับการขนานนามว่าอัลฮิตเพราะอัลลอฮ์ผู้ทรงสูงส่งทรงกล่าวถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับประชาชาติของราีสและซึ่งสืบเชื้อสายมาจากตระกูลสมุตอันมีถิ่นฐานอยู่ที่เมืองฮิตซึ่งอยู่ระหว่างเมืองมดินะกับเมืองชามชนชาตินี้มีร่างกายกำยำแข็งแรงเจาะสกัดภูเขาเป็นที่พำนักอาศัยและมีความเชื่อมั่นว่า จะพานักอยู่อย่างถาวรด้วยความเชื่อมั่นดังกล่าวประกอบกับความหยิ่งพยองและการไม่เชื่อฟังอีกทั้งการต่อต้านผู้ประกาศเผยแพร่ศาสนาของอัลลอฮ์ในที่สุดพวกเขาจึงได้รับการลงโทษอย่างสาสมโดยเสียงกบฎนาศได้มาทำลายชีวิตของพวกเขาในเวลาเช้าตรู่ ด้วยพระนามของอัลลอฮ์ผู้ทรงกรุณาผู้ทรงเมตตาเสมออลีฟลามรอทีอเหล่ล า, า, ลานี้คือองค์การทั้งหลายแห่งคำพีและเป็นคุรานอันชัดเจน รบรร ด, ดาผู้ปฏิเสธศรัทธาวังกันว่าหาพวกเขาได้เป็นมุสลิมกเจะกะดเะุ้ามหัลเจะู้เจ้าจงปล่อยพวกเขาบริโภคและร่าเริงเถิดและความหวังก็จะทำให้พวกเขาลืมและพวกเขาก็จะรู้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 َقَالُواْ الَّذِي نُزِّلَ أَيْيُّهَا عَلَيْهِ الزِّكْرُ และพวกเขากล่าวว่าโอ้ผู้ที่ข้อตักเตือนอัลกุรอานถูกประทานมาอย่างเขาแท้จริงเจ้าเป็นคนบ้าอย่างแน่นอนแล้วแม้จะเจนับอิมมาลัยค์ท ن ่อินคุนเตมีนอัิก ทำไมเจ้าไม่นำมาลายกามาที่เราหากเจ้าอยู่ในหมู่ผู้มีสักจดจิ์ศรีเราได้ส่งมาลายกาลงมาเว้นแต่ด้วยความจริงดังนั้นจึงไม่ปรากฏว่าพวกเขาต้องรอคอย ن ن ن แท้จริงเราได้ประทานข้อตักเตือนอัลกุรอาน ล, ลงมาและแท้จริงเราเป็นผู้รักษามันไว้อย่างแน่นอน และโดยแน่นอนก่อนหน้าเจ้านั้นเราได้ส่งบรรดาศาสนาทูตมาในหมู่คณะต่างๆเมื่อครั้งก่อนๆและไม่มีศาสนาทูตคนใดมาอย่างพวกเขาเว้นแต่พวกเขาจะต้องเย้ยหยันในทํานองนั้น เราได้ทำให้มันเป็นที่เยอ้อยหยังอยู่ในจิตใจของคนชั่วทั้งหลายพวกเขาจะไม่ศรัทธาต่อคำมภีรอันกุรอานและแน่นอนแบบอย่างของชนรุ่นก่อนๆได้ผ่านพ้นไปแล้ว ถ้าเราเปิดประตูแห่งชั้นฟ้าแก่พวกเขาแล้วพวกเขาจะขึ้นต่อไปเรื่อยๆแ ล, ล้วกูอินนมรอับซารุนบลนนมัสฮูรแน่นอนพวกเขาจะกล่าวว่าแท้จริงสายตาของพวกเขาถูกปิดกัน้นไม่เพียงเท่านั้นพวกเรายังเป็นกลุ่มชน ที่ถูกเวทหมุนอีกด้วยและโดยแน่นอนเราได้ให้มีหมู่ดวงดาวในท้องฟ้าและเราได้ประดับประดามันให้สวยงามแกบ่บรรดาผู้เฝ้าหมอ ب ب และเราได้รักษามันให้พ้นจากชัยตอนทุกตัวที่ถูกสาบแช่งเว้นแต่ผู้ที่แอบฟังดังนั้นดวงดาวที่ลุกโชนช่วงจะไล่าตามปิดเผาหมัน และแผ่นดินนั้นเราได้แผ่มันออกไปและเราได้ทำให้มีเทือกเขาเป็นที่ยึดอย่างมั่นคงและเราได้ให้ทุกสิ่งงอกเงอยอย่างสมดุล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 แล้วเราได้ส่งลมผสมเกสอนมาและเราได้น้ำลงมาจากฟ้าฟ้าและเราได้พวกเจ้าดื่มมันและพวกเจ้าก็ไม่ได้เป็นผู้สะสมมันไวและโดยแน่นอน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 َإِنَّ هُوَ และแท้จริงพระผู้อภิบาลของเจ้าคือผู้ทรงชุมนุมพวกเขาแท้จริงพระองค์เป็นผู้ทรงปรีชาญาณผู้ทรงรอบรู้ ص ص <ون> และโดยแน่นอน เราได้สร้างมนุษย์มาจากดินแห้งจากดินดำเป็นตมและยินนั้นเราได้สร้างมันมาก่อนจากไฟของหลมร้อน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 เว้นแต่อ oh <wa> no, ิบลิสมันปฏิเสธที่จะร่วมกับบรรดาผู้โค้งคารวะอยอบลิสลคัลตคดีนพระองค์ตรัสว่าโอ้อิบลิสทำไมเจ้าจึงไม่ร่วมกับผู้โค้งคารวะ ص ص ن ن มันกล่าวว่าฉันจะไม่คาวะต่อมนุษย์ที่พระงทรงสร้างเขาจากดินแห้งจากดินดำเป็นตรงดอพระงคตรัสว่าดังนั้นเจ้าจงออกไปจากที่นี่ แท้จริงเจ้าเป็นผู้ถูกขับไล่และแท้จริงการสาปแช่งจงประสบแก่เจ้าจนกระทั่งถึงวันแห่งการตอบแทบบน ي ي มันกล่าวว่าโอ้พระเจ้าของฉันได้โปรดประวิงเวลาให้แก่ฉันจนถึงวันฟื้นคืนชีพด้วยเถอ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 ในหมู่พวกเขาที่มีจิตใจบริสุทธิ์เท่านั้นพรุ่มตรักว่านี่คือทางอันเที่ยงธรรมของข่าอถ้าจริงพวงบ่าวของข่าเจ้าจะไม่มีอำนาจใดๆเหนือพวกเขา เว้นแต่ผู้ที่ปฏิบัติตามเจ้าในหมู่ผู้หลงผิดเท่านั้นแท้ ah uh um จริงนรกยานนำคือที่นัดหมายของพวกเขาทั้งหมด ab ab um um มันมีเจ็ดประตู สำหรับทุกประตูมีส่วนทิจักไว้แล้วแท้จริงบรรดาผู้ยำเกรงนั้นจะอยู่ในสวนสวรรค์และมีตาน้ำพวกเจ้าจงเข้าไปในนั้นด้วยความสันติ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 ความเหนื่อยยากจะไม่ประสบแก่พวกเขาในนั้นและพวกเขาจะไม่ถูกนำออกจากที่นั้ น, น ب ع ع ب ชงแจ้งแก่พวงบ่าวของข้าว่าแท้จริงข้าคือผู้ทรงอภัยผู้ทรงเมตตาเสมอ َأَنَّ عَذَابِي الْعَذَابُ هُوَ الع ال ال และแท้จริงการลงโทษของข้านั้นเป็นการลงโทษที่เจ็บแสบ َنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْكِ إِبْرَاهِيمَ ِدَّخَلُوا فَقَالُوا และเจ้าจงแจ้งให้พวกเขาทราบถึงแขกของอิบราฮิม เมื่อพวกเขาเข้าไปหาอิบราฮิมแล้วกล่าวว่าสันติเขากล่าวว่าแท้จริงเรากลัวพวกท่านพวกเขากล่าวว่าท่านอย่า ก, กลัวแท้จริงเราขอแจ้งข่าวดีแก่ท่าน เกีีก่่วเด็คคนนึงทมามารู้ขากล่าวาว่าพวกท่านมาแจ้งข่าวดีแก่ฉันเมื่อความชราภาพได้ประสบแก่ฉันแล้วกระนั้นหรือแล้วเรื่องอะไรแล่วที่พวกท่านจะแจ้งข่าวดีแก่ฉัน พวกเขากล่าวว่าเราขอแจ้งข่าวดีแก่ท่านด้วยความจริงดังนั้นท่านอย่าได้อยู่ในหมู่ผู้สิ้นหวังเขากล่าวาว่าและจะไม่มีผู้ใดสิ้นหวังในพระเมตตาของพระผู้อวิบาลของเขา นอกกกจากพวที่หลงผิดเท่านนั้เขากล่าวว่าดังนั้นทุระอันใดเล่าของพวกท่านโอทูตทั้งหลายพว้เขากล่าวว่า แท้จริงเราถูกส่งมาเพื่อกลุ่มชนที่ทำผิด ا آ น, นอกจากบริวารของลูตแท้จริงเราจะเป็นผู้ช่วยเหลือพวกเขาทั้งหมด ا إ เว้นแต่ภริยาของเขา เราได้กำหนดไว้แล้วว่าแท้จริงนางได้อยู่ในหมู่ผู้ที่ล่วมไปแล้วข้าลุติลมุรลูนา่าอินนกุมุกครุนครั้นเมื่อพวกทูตได้มายังบริวารของลูตเขาบริวารของลูตกล่าวว่าแท้จริงพวกท่านเป็นกลุ่มชนที่ไม่คุ้นหน้า พวกเขากล่าวว่าแต่เรามาหาท่านคือลูดด้วยเรื่องที่พวกเขาสงสัยกันอยู่และเรามาหาท่านด้วยเรื่องจริง และแท้จริงเราเป็นผู้มีสัจจะอย่างแน่นอนดังนั้นท่านจงเดินทางร่วมไปกับครอบครัวของท่านในเวลากลางคือและจงตามหลังของพวกเขา และอย่าให้ผูดด้ใดในหมู่พวกท่านเหลียวหลังและจงเดินทางไปตามที่ท่านถูกบัญชาและเราได้แจ้งแก่เขาถึงเรื่องนั้นว่าคนสุดท้ายของพวกเหล่านี้จะถูกตัดขาดในยามเช้า และชาวเมืองได้มาหาด้วยความดีใจ ا أ ف ف เขาลูดกล่าวว่าแท้จริงเขาเหล่านั้นเป็นแขกของฉันดังนั้นพวกเจ้าอย่าทให้ันอับปเขาลูดกล่าวว่าแท้จริงเขาเหล่านั้นเป็นแขกของฉันดังนั้นพวกเจ้าอย่าทำให้ฉันอับปย และจงยำเกรงอัลลอ์เถิดและย่าิฉันต้องอับอายพวกเขากล่าวว่าและเราไม่ได้ห้ามเจ้าเกี่ยวกับการต้อนรับแขกดอกหรือลูดกล่าวว่า เหล่านี้คือลูกสาวของฉันหาพวกเจ้าจำเป็นต้องกระทมขอสาบานด้วยชีวิตของเจ้าแท้จริงพวกเขาอยู่ในการมืนเมาหลงทางอย่างแน่นอน ดังนั้นเสียงกับรนาดได้ประสบกับพวกเขาเมื่อดวงอาทิตย์ขึ้นแล้วเราได้พลิกกลับส่วนบนของมันเป็นส่วนลาและได้หินจากนรกหล่นลงมาทับพวกเขา แท้จริงในการนั้นแน่นอนเป็นสัญญาณแก่ผู้พินิษพิเคราะห์ทั้งหลายและแท้จริงมันสถานที่นั้นยังคงเป็นเส้นทางที่พักอาศัยอยู่เสมอไป แท้จริงในการนั้นย่อมเป็นสัญญาณแก่บรรดาผู้ศรัทธาและกระนั้นก็ดีชาวอัลไอกะเป็นผู้อธรรมอย่างแน่นอนและจักนามิ่งุมว่าอินน์หุมานเป็นอมามมุบี ดัะนั้นเราได้ลงโทษพวกเขาและแท้จริงทั้งสองพวกอยู่บนเส้นทางที่ชัดแจ้งอยู่แล้วและโดยแน่นอนชาวอัลฮิดได้ปฏิเสธบรรดาศาสนาทูตและเราได้สัญญาณต่างๆของเราแก่พวกเขาแล้วเราก็ผินหลังให้ วพวกเขาได้ส ก, กัดภูเขาเป็นบ้านพักอย่างปลอดภัย ح ح ดังนั้นเสียงกำมนาดได้ทำลายพวกเขาในยามเช้าเช่นนั้นสิ่งที่พวกเขากระทำไว้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 เราได้ประธานให้แก่เจ้าทั้งเจ็ดองค์การที่ถูกอ่านซ้ำและอัลกุรอานที่สำคัญยิ่เจ้าอย่าท่อดสายตาทั้งสองของเจ้าไปยังชนชั้นต่างๆของพวกเขา และ่าได้เสียใจแทนพวกเขาและจงลดปีของเจ้าให้ต่าด้วยการอ่อนน้อมถ่อมตนต่อบรรดาผู้ศรัทธาและมุฮัมหมัดจงกล่าวเถิดว่าแท้จริงฉันเป็นผู้ตักเตือนอย่างชัดแจ้ง เช่นเดียวกับเราได้ให้แก่พวกแบ่งการศรัทธาคือบรรดาผู้แยกอลัลกุรอานเป็นส่วนๆวบบดังนั้นขอสาบานต่อพระผู้อภิบาลของเจ้าแน่นอน เราจะถามพวกเขาทั้งหมดอมาถึงสิ่งที่พวกเขากระทำไว้มุ ด, ดังนั้นจงประกาศยังเปิดเผยในสิ่งที่เจ้าถูกบัญชาชายและจงผิลหลังให้พวกบูชาจเวอตแพจริ เราให้ความพอเพียงแก่เจ้าต่อพวกเอะอยหยันแล้ว الله الله คือบรรดาผู้ตั้งพระเจ้าอื่นเป็นภาคีกับอัลลอฮแล้วพวกเขาจะรู้และโดยแน่นอนเรารู้ว่าแท้จริง โอ้ของเจ้านั้นอึดอัดต่อสิ่งที่พวกเขากล่าวดังนั้นจงกล่าวสะดุดีด้วยการสรรเสริญพระผู้อภิบาลของเจ้าเถิดและจงร่วมอยู่ในหมู่ผู้สุยูตละหมาดเถิดและจงเคารพพักดีต่อพระผู้อภิบาลของเจ้า จนกว่าความแน่นอนคือความตายจะมาหาเจ้า